เริ่มสุกไปใหม่แ อ, <spicy> อ่ววันนี้วั น, นที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่แล้วไม่ยำเลย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 ก็ส ะ, สะดวกถ้านักรลกได้รู้จักสมงงรภูมิดีก็ไม่มีทางแพ้ได้ว่าชัยภูมิที่ดีนิสติเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามตามควัวเป็นจริงพื้นที่นี้ยืดได้แล้ว <c oughs> ว่าไม่เป็นรูป <c oughs> เป็นนาม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 รูปก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญามไม่ใช่ตัวตนสองขานบินญาณไม่ใช่ตัวตนได้เป็นนักลบกยิงได้ไกลแลวถ้ารูอย่างนี้ทะลุทะลวงไปไกลเมื่อรูปรูปรูปรูปรูปรูดังแล้วก็รู้ขันหน้าอย่างไรแต่รูปไปไกลเหมือนนักลุกที่ยิงได้ไกลที่สุดอู้ปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกับเครื่องบินจริงๆนะ เห็นขันหน้าตามความเป็นจริงใบไกลทะลุทลวงไปไม่มีอะไรขวางกันได้อาจจะสุดลอยก็ได้แต่มันไปแล้วยิ่งไปก่อนแล้วเราก็เลยลู้ตามไปง่ายขึ้นอะไรที่มันเกิดจากรูปจางนามมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความไม่ใช่ตัวตนทั้งลัทธิมันก็ทำให้เราสะดวก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 ไม่จะมีศัตรูที่ไหนเหลืออันที่สี่กำลังผลน้อยแต่ปราบผ่าศึกได้บ้างคือทำลายอวิชาเป็นวิชาได้เปลี่ยนได้มันเป็นทางไปอย่างนี้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 บางคนก็ง่วงเหงาห่อนอนบางคนก็ไม่ง่วงบางคนก็ไม่หลงสิ่งที่เราหลงเขาผ่านไปแล้วสิ่งที่เราง่วงเหงาห่อนอนเชนิบอลนธามเขาผ่านไปแล้วที่มันเคยขวงกันเขาข้ามไม่ได้แล้วอำนาจจะต่างกันตรงนี้ในท่ามกลางแต่จุดหมายปลายทางเหมือนกันมันจุดหมายปลายทางเหมือนกันเหมือการเกิดเก่เจ็บตายคือปลายทาง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 เห็นหมดแล้วอะไรที่ไล่าย่เห็นหมดแล้วนี่คือลักษณะของการปฏิบัติเป็นการตบได้ด้วยทุกคนเรียกว่าปั จ, จตังเบคิดปูวิญญูหิตเป็นอย่างนั้นจริงๆมาแต่เราวิสตจิมา่าแต่เราเปลี่ยนลูกเป็นรู ว่าแตเราเปลี่ยนทุกเป็นรูเปลี่ยนโกรธเป็นรูนี่คือสติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ท่องจําไปทําทํากับจริงเหล่านี้แล้งานของสติเปลี่ยนหลงเป็นรูงานของสติเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกงานของสติเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธงานของสติเปลี่ยนล้ายเป็นดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับากับใจเราเนี่ยมันน่าจะข ย, ยันนะ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 เป็นผู้สงบก็เพื่อนเป็นผู้พุ่งชั่นก็เปิดเพื่อนจติมันจึงเป็นซื่อไม่เป็นอะไรมันไม่เปื่อนกับอะไรสตตินะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเห็นนี่ยไม่เปื้อนละการเป็นนี่เพื่อนนะเป็นไม่ได้เด็ดขาดถ้ามีสติินะกระตื้อตัล้นตรงนี้เหมือนไฟตกใส่ค้างก็ปัดออกทันทีเหมือนจริงใดมังคสุโภก็เช็ดออกทันทีเอาทิ้งไม่ได้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 เป็นอย่างนี้จิงอยากจะท้ า, าทายมันนานเหลือเกินเรื่องนี้้วอยากให้เราพิสูจน์ลองดูการพิสูจน์ต ร, รงนี้ไม่ใช่เอาจริงเอาจนจนหน้าดำาคร้่เครียดไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าวไม่ทำอะไรเลยไม่พูดไม่จาก็ไม่ใช่ก็รู้สึกตัวก็ <c oughs> ค, ค, คือความรู้สึกตัว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 ถามจริงๆนะมันจะรักษาทำย่อมรักษาผู้ปติธรรมให้ตกเปน็นทีชั่วผู้ปติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเป็นไปเองมาช่วยเราเง้าไว้อะไรเกิดขึ้นจะไปแตสติงาไว้โกนอะไรทั้งสิ้นเลย เรียว่าสติปัฏฐานมาไวไห ม, ไมเลี้ยวไวของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความชั่วทอมความดีบริสุทธิ์แป๊บ เ, <อ>เดียวเลยทีเดียวเป็นกรรมที่จักจิตธรรมฐานเนี่ยพิสูจน์ ด, ดูก็ได้มีความรู้ไอ้รู้ซื่อๆนะ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 เรามาทําวมเป็นเป็นรถเป็นชาติเพียงแต่เสียงพูดเอามาทําให้เกิดรถเกิดชาติตาไม่เห็นได้สัมผัสคําพูดได้สัมผัสได้สัมผัสกับอกคําพูดเอามาปฏิบัติจนสัมผัสได้ไม่ต้องมีคําถามตรงนี้เลยระหว่างหลงกับพ่อไม่หลงนันเป็นอย่างไรมันรู้ชื่อ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 ไม่ใช่อยู่ที่นี่ก็ได้ถ้าเดนหลักกับนี่ไปแล้วไปทำที่ไหนก็ได้สบายมันอยู่กับเราแล้วรู้จากเชฟพูมแล้วเหมือนกับนักโลกสี่ประเภทแล้วรู้จากรูปจากนา้ำรู้จากขันห้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เราเนี่ยฉุกทุกันเป็นขันห้า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 นี่เห็นความคิดน่ะเรียกว่าอาการดับไม่เหลือแห่งนา ม, มารูปผู้ได้เห็นอย่างนี้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าวผู้มีชีวิตน้อยปีเนาะมันมีชีวิตตรงนี้ในก่อนตรงอื่นไม่มีชีวิตเลยร่มลู้ผู้ขานเพมาได้ชีวิตจริงได้ตรงนี้ไม่เป็นอะไรกับอะไรอีกแล้วปรดนอย่างนี้ ก็จะเป็นสมบัติของมนุษย์ด้วยนิพพานสมบัติอะไรก็ว่านิพพานตรวจน้ามกว่านิพพานแต่ปลายทางก็นิพพานเป็นจุ๋มไหปล า, ายทางแม่เตอร์โบราณโกลมรูกก็มีนิพพานอื้อหน่ อ, อนจงจมก็เจ้าพ้น